แล้วก็คนที่ขาดคนที่โทสะบ่อยๆเนี่ยนะสิ่งที่เขาขาดอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่มีเมตตาและจะติดตามด้วยว่าเขาจะไม่รู้จักมุทิตาแก่ใครเนี่ยนะเขาจะไม่รู้จักว่าเออดีแล้วเนี่ยนะเออดี อ, อ้ดีมากอันน้เป็นต้นไม่มีในความคิดของเขาอย่างมากเขาบอกพอใชน้นะนะพอใช้แค่นีเขาจะไม่บอกว่าใครทำดีสักคนนึ่งนะเว้นแต่เขาคนเดียวอะ ถ้าเขาว่าดีหมดเลยแต่คนอื่นไม่มีดีสักคนเลยนะฉะนั้นคนที่รู้จักชมตัวรู้ถ้าใครที่ชมตัวเองเป็นนะโอ้เราทำดีแล้วคนนั้นจะรู้จักชมคนอื่นแต่ถ้าใครที่ไม่รู้จักชมตัวเองนะคนเหล่านั้นโดยมากไม่รู้จักชมคนอื่นเพราะว่าคนที่เจริญเมตตานี้จะต้องเจริญให้แกตัวเองก่อนใช่ไหมถ้าตัวเองมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวเองต่อภายในอ่ะนะเช่น เราเราเคยตั้งเมตตาให้กับตัวเองนะขอให้ฉันเนี่ยเจริญในศีลอย่งยิ่งขึ้นไปนะขอให้ฉันเจริญในสมถะยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เจริญในวิปัสสนายิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ศึกษาพระธรรมคําสอนเข้าใจแล้วสามารถปฏิบัติตามได้นะถ้าใครตั้งจิตไว้แบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเขาจะรู้จักยินดีกับคนอื่นที่ที่เขาเจริญคุณธรรมเหล่านั้นนะเออขอให้คนอื่นได้คุณธรรมเหล่านั้นด้วยเหล่านั้นด้วย เพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยนะมันจึงเจริญทั้งภายในกับทั้งภายนอกทีนี้ถ้ามีปกติอยู่ด้วยเมตตาจะไม่โทสะเนี่ยนะจะไม่ไม่พยาบาทแก่แก่คนอื่นจะไม่คิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่าแม่ที่รักบุตรจะไม่คิดประทุษร้ายบุตรผู้ที่มีเมตตาจะไม่คิดประทุษร้ายต่อต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็จะคิดให้สัตว์นั้นมี ความสุขความคิดที่ที่เป็นสุดเจริตกรรมเนี่ยนะเป็นอับพยาบาทอย่างนี้ถ้าล่วงมาทางกายก็เป็นกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาถ้าคำพูดแปลงออกมาก็เป็นวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะแล้วก็เป็นจริงๆรก็เรียนเมตตานะคือเรียนอะไรรู้ไหมเรียนเหตุตุป จ, จัยอโศะก็คือเหตุปัป จ, จัยนั่นเองนะขณะที่เมตตาเกิดขึ้น เหตุปัจจัยนะเหตุตัปัจจัยที่ที่เป็นเมตตาเนี่ยกายเป็นกายกรรมที่หน้าสมน์นว่าหน้าโคหาสมาคมเป็นต้นนั่นเองนั้นพรหมวิหารคือคือเมตตาเนี่ยนะท่าเจริญมากๆเป็นการประทุสร้ายทําลายโทสะเป็นอย่างดีท่านบอกว่าในกรรมฐานทุกกรรมฐานจริงๆก็กําจัดโทสะได้หมดเหมือนกับการดับไฟเนี่ยนะใช้ใบไม้ไฟก็ดับใช่ไหม ถ้าถ้าไฟไหม้ตาเนี่ยนะเอาใบไม้มาตีตีก็ดับเอาไม้กวาดมาปัดปัดก็ดับแต่ว่าถ้าจะดับไฟให้ดีพิเศษเนี่ยทํำอะไรตอนน้ําฉีดชั้นใดก็ดีโทสะเนี่ยนะถ้าการเจริญกรรมฐานทุกกรรมฐานจริงๆดับโทสะได้หมดแต่ว่าถ้าเมตตาเนี่ยเป็นการดับโทสะได้อย่างตรงตัวตรงตัวเนี่ยนะเป็นการดับสนิทนะแต่ก็แม้ ถ้าถ้าไฟมากน้ําน้อยเนี่ยนะมันมีเสียงนะเคยดับไปไหมเต <c oughs> ่ถ้าถ้าไฟมันแรงๆนะเอาเอาน้ําหยดไปนิดเดียวนะโอ้โหเสียงดังแรงมากนะแต่ถ้ามันต้องให้มันคู่ควรกันนะมันต้องดับสนิทนะอันเมตตาก็ต้องท่วมทับท่วมทับอันนั้นให้ได้แต่ที่จะได้นะต้องมาเห็นด้วยนะกับการสมาทานกุศลการสมาทานที่จะประพฤติกุศลเนี่ยนะโดยเฉพาะ สมาทานที่จะประพฤติเมตตาประพฤติอนาพิชาประพฤติอภยาบาตรประพฤติสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะอันนี้ควรควรตั้งเอาไว้ให้บ่อยให้มากเนี่ยนะตั้งคนถามง่ายๆว่าเออเนี่ยเราเข้ามาในสมาคมนี่เรามีเมตตาต่อคนอื่นหรื อ, อยังเนี่ยนะก็บอกว่าลักษณะคนไม่มีเมตตาเนี่ยคิดตําหนิคนอื่นตลอดอันนั้นลักษณะความเบียดเบียนนะอนนู้นก็นไม่ดี น, นี่ก็ใช้ไม่ได้มันคิดตําหนิคิดเบียดเบียนคนอื่นแต่คนที่มีเมตตาเนี่ย แค่เรียกว่ามองเห็นความดีของทุกคนทุกคนก็มีความดีอยู่ในตัวแล้วยินดีกับความดีอันนั้นที่มีอยู่ในในตัวเขาอะนะแ้ก็ถ้าเราจเจริญเมตตาเอาไว้กับทุกคนนะคิดให้ทุกคนมีความสุขนะไม่ต้องกลัวคิดถึงใครก็ไปดีได้หมดอะเจนปาเคยพวกกลุ่มเมตตาเนี่ยนะ กลุ่มกลุ่มที่จะเจริญพรหมวิหารเนี่ยจะต้องสังเกตจริตตัวเองกลุ่มที่ขาดเมตตาเนี่ยนะหรือกลุ่มโทสะจริตเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ชอบพบปะกับคนหรือพบปะแล้วปั๊บมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของบุคคลนั้นนะพวกโทสะจริตนั้นเป็นกลุ่มที่สัมประโยคทุกขคำว่าถ้าคิดถึงใครแล้วนะก็เดือดร้อนขึ้นมาละ ไม่ค่อยลำบากนึกแล้วไม่ค่อยยิ้มแย้มแจม่มใสไม่มีความสุขเลยอ่ะนะกลุ่มนี้แหละเรียกกลุ่มโทสะจริตเพราะกลุ่มโทสะจริตอย่างนี้จะจะให้เจริญเมตตาแต่การเจริญเมตตาเนี่ยนะถ้าคนโทสะจริตเนี่ยศัตรูใกล้ของของเมตตาก็คือราคาถ้าราคาเนี่ยเป็นยังไงรู้ไหม ม, มันไม่ค่อยกระจายละมันกระจุก <laughs> เช่นว่าในห้องเมตตาอยู่คนเดียวอย่างนี้ มาตั้งเยอะเนี่ยนะเมตตาแค่คนเดียวอะ่ะจริงๆอ่ะนะถ้าเหมือนกับมีเราลูกมีลูกก็เหมือนกับเรามีลูกสี่ห้าคนเนี่ยนะถ้าเราเมตตาคืนนำประโยชน์ไปให้ทุกคนแต่ถ้าเราขาดเมตตาถ้าโลภะนะั้นลักษณะคนนั้นนคนพิเศษถ้ามีความพิเศษอยู่ที่ใดที่นั่นไม่ใช่เมตตาอ่นนะเพราะลักษณะของของราคะเนี่ยนะมันมันคิดถึงไอไอระว่ามันพิเศษต่อ แต่ทีนี้ถ้าคนราคะเจริตอยู่แล้วเนี่ยนะไม่เหมาะที่จะเจริญเมตตาถ้าราคะเจริตนะเหมือนกับว่าเห็นอะไรนะโอ้โหติดหนับไปหมดเลยลักษณะว่าคนคนราคะเจริตด้วยนะดูดูตั้งแต่ผมจนถึงเล็บเนี่ยนะถึงรองเท้าเนี่ยสวยหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เมตตากลุ่มนี้เป็นกลุ่มราคะเจริญเห็นไหมแต่กลุ่มกลุ่มโทสะจริญเนี่ยเหมาะมากที่จะเจริญเมตตาแต่ถ้ากลุ่มราคะเจริญนะ ก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยไปท่องเอาไว้เถอะนะ <c oughs> ทีนี้พวกที่เจริญกรุณามาดูบัางนะว่าการเบียดเบียนย่อมครอบงำแล้วตั้งอยู่แก่ผู้มีปกติอยู่ด้วยกรุณาย่อมไม่สมควรคำพูดเหล่านี้ใช่ไม่ได้นะคือยุติไม่ได้แน่นอนถ้าบอกว่าเขาเนี่ยเจริญกรุณาเนะก็บอกว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกรุณาต่อคนไข้มาก แต่ว่าทําให้เขาป่วยมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น <c oughs> อไรอย่งเงีใช่ไหมไม่ใช่ก็บอกเขาเป็นคนที่สงสารลูกมากกลัวลูกลําบากแต่โอ้โหตื่นเช้ามาเตี๊ยห้าสิบครั้งเที่ยังก็ตี๊ยห้าสิบครั้งเย็นตี๊ยห้าสิบครั้งเนี่ยนะอันนี้ชื่อไหมกรุณาลูกไหมเขากรุณาลูกมากด่าอยู่ทั้งวันใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่กันนะเพราะฉะพวกที่วิหิงสา ค, คือความเบียดเบียนเนี่ยนะก็คือคิดให้เขาเดือดร้อนตลอดเวลา คิดให้เขาลำบากตลอดเวลาเนี่ยนะหาเรื่องให้เขาเดือดร้อนตลอดเวลาเนี่ยใครที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีกรุณาแต่หาเรื่องให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าอารติคือความไม่ยินดีย่อมถึงความหายไปถึงการตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยนะของผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยขออภยัยความ ความเบียดเบียนเนี่ยนะย่อมถึงการหายไปตั้งอยู่ไม่ได้ของมผู้มีปกติอยู่ด้วยกรุณาถ้าอย่างนี้สมควรเนี่ยนคือพระผู้ที่มีกรุณาเนี่ยนะคือผู้ที่ไม่น้อมไปเพื่อที่จะเบียดเบียนกรุณาเนี่ยเป็นการความคิดที่บำบัดทุกข์แก่เขาหรือเขาบอกว่าลักษณะของกรุณาเนี่ยนะเห็นคนอื่นเดือดร้อนหรือเห็นคนอื่นเขาได้รับความลำบากเนี่ย ยังใจแห่งสาธุรชนให้หวันไหวอันนั้นแหละเป็นลักษณะของกรุณาเห็นเขาเขาเดือดร้อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งลําบากเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วใจมันหวันไหวขึ้นมาเลยอันนั้นแหละเป็นลักษณะของกรุณาเรือซ้ําเติมเขามีไหมเนยนะคือถ้าการุณามันจะไม่มีลักษณะความคิดซ้ําเติมคือมีแต่จะเห็นใจเขาอย่างเดียวนะเช่นเห็นเขาป่วยมาเนี่ยก็ก็คิดจะช่วยเขาให้เขาหาย เขาเดือดร้อนมาก็มีแต่คิดจะบำบัดความทุกข์ของเขาอันนั้นเป็นลักษณะของการุณาแต่เขาบอกว่าเขาบอกเขานี่การุณามากนะแต่ชอบซ้ำเติมคนทุกข์เนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ที่การุณาก็คือเขามีความทุกข์ใดๆก็คิดที่จะบำบัด น, นะบำบัดทุกข์ถ้าจำกันง่ายๆนะว่าเมตตาคือการเข้าไปบารุงความสุขกรุณาคือการเข้าไปบาบัด ความทุกข์เนี่ยนะน้อมไปเพื่อจะบำบัดทุกข์เขาเห็นว่าเขามีทุกข์หรือเขาจักได้รับความทุกข์ต่อไปเนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาอ่ะนะอันนั่นเป็นกรุณาอย่างพระพุทธเจ้ากรุณาพระพุทธเจาเทวดายัางไงพระองค์แสดงธรรมให้เทวดาฟังเนี่ยนะเพราะกรุณาถามการุณาต่อเทวดาพระองค์กรุณาว่าอย่างไงคือกรุณาว่าถ้าเทวดาไม่ฟังธรรมนะอะไรเกิด อกุศลก็เกิดถ้าอากุศลเกิดนั่นแหละเป็นความเศร้ามองแห่งกามทั้งหลายานนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาหมกมุ่นในวัตถุกามด้วยอำนาจกิเลสกามเนี่ยนะถ้าจิตติดข้องในวัตถุกามก่อนจะจุติละ่อนะอันนั้นพระองค์ตรัสเลยว่าเทวดาที่ตายจากเทวดากลับมาเป็นเทวดามีน้อยนะโดยมากไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกมากกว่า เทวดาที่ตายจากเทวดาแล้วกลับมาเป็นมนุษย์น้อยนักโดยที่แท้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาทนรกมากกว่าเพราะฉะนั้นเทวดาก็ควรแก่การการุณาเหมือนกันถ้าเขายังไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าคนที่มีมีการบริโภคอย่างดีเลยนะมีรถชั้นเยี่ยมมีบ้านอย่างอย่างรูใช้มีอย่างดีเลยเมันงั้นเถอะ แต่อีกข้างหน้าเนี่ยจะวันอีกสามวันข้างหน้าเขาจะถูกประหารชีวิตเนี่ยนะจะถูกริบทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยถามว่าเขาหน้ากรุณาหรือหรือหน้าหน้าอิจฉานีนะก็หน้ากรุณามากกว่าเพราะฉนั้นพระองค์ก็บอกว่าเห็นเทวดาก็หน้ากรุณาในลักษณะนั้นถ้าเขาไม่รู้อริยสัจเขาก็ยังปิดอบายทุกขติวินิบาตนารกไม่ได้เมื่อยังปิดอบายทุกขติวินิบาตนารกไม่ได้ตอนนี้เขาเป็นพระราชา แต่ว่าที่สัตว์นรกในอนาคตเนะนี่ยนะก็อนาคตต่อไปก็คือไม่ได้พ้นอบายทุกขติวินิบาดนรกอะไรเนะนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจึงควรแก่การสงเคราะห์เนะนี่ยนะพระองค์ก็กรุณาแม้กระทั่งพรหมทั้งหลายพระองค์ก็กรุณาแม้กระทั่งกรุณาต่อผู้ที่บริหารขันทั้งหลายที่ยังรับภาระในการบริหารรูปบริหารเวทนาบริหารสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ควรแก่การ กรุณาเนี่ยนยพะพันธาอาหารทั้งหลายก็น่ากรุณาเพราะว่าท่านต้องมาเป็นภาระในการเลี้ยงดูขันห้าเนี่ยนะจฉพาะขันภายในเนี่ยนะก็มีความทุกเป็นนิพภติเรียกว่าทุกเนืองนิดทุกปกติของขันห้าคืออะไรก็บริหารเนี่ยให้นั่งอย่างเดียวเอาไหมไม่เอาขามอาการนอนนี่สบายไหมสบายแต่ท่านนอนนานๆเอาไหมให้นอนโรงพยาบาลเลยห้าวันไม่น่าสนใจเลยนะ มันคืออริยบทเดียวอย่างเดียวก็ไม่ดีใช่ไหมก็นั่นแหละมันทุกในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอริยาบทก็ก็เป็นทุกขเป็นร้อนละ่ะแล้วทุกอย่างอื่นอีกละ่ะอัน น, นมีปากมีท้องก็เนี่ยแหละลำบากในการกลืนการกินเข้าไปกินอีกก็ลาบากเดือดร้อนห้องน้ําอีกแล้วก็ทุกอันนั้นประจําอีกอย่างนีน้แล้วก็มีส่วนไหนมั่งในกายเนี่ยที่มันไม่สร้างปัญหาให้ก็ไม่มีมันทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่ง แห่งทุกข์หมดเลยเมื่อสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ขนาดนี้ถามว่าแล้วอารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏในทวารต่างๆของเขาเขารับรู้ด้วยจิตชนิดไหนนะถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนาอะไรเกิดกับเขาราคะเกิดถ้าอารมณ์นั้นไม่น่าปรารถนาโทสะก็เกิดทุกอารมณ์เขาพิจารณาไหมไม่พิจรารณาอันนั้นก็เป็น โมหะเพราะฉะนั้นเขาเดือดร้อนเพราะราคะโทสะและโมหะถ้าราคะอย่างเดียวเกิดนะั้นมันตามด้วยมานะอีกถ้าตามด้วยมานะอีกตามด้วยทิฐิอีกถ้าโทสะเขาเกิดตามด้วยริษยาอะไรกมัฉริยะแล้วก็อุกุจะทั้งราทั้งโลภะที่ต่อด้วยทิฐิมานะก็มีถีนมิทาแทกทั้งโทสะริษยา มัเชเริยะกุกุจะก็แทรกด้วยถีนมิทะมีอหิริกะอโนตปะไม่อายชั่วไม่กลัวบาปเข้าไปเจือปนฉาบไล้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วถามว่าสภาพจิตของเขาจะเป็นยังไงก็ทุกเนี่ไหมแล้วถ้าล่วงมาทางกายละ่ะก็เป็นความชั่วทางกายเปล่งมาทางวาจาก็เป็นความชั่วทางวาจาคิดอยู่ในใจก็เป็นความชั่วทางใจเนี่นะเพรา ะ, ะนั้นเขาก็ถูกทุกจริตสามเนี่ยเออ ใช้ชีวิตปฏิบัติในทุจริตสามถูกโอฆ่าสี่ท่วมครับนิวรห้ากลุ่มรุมถูกตันหากายะหกเนี่ยครอบงำผูกพันอนุสัยเจ็ดเนี่ยก็เล่นงานไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะนั้นเขาก็ถูกบาปถูกอกุศลเนี่ยกลุ่มรุมเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาถามว่าเขาคู่ควรแก่การ ก, า ร, การุณาขนาดไหนเขาก็เป็นคนที่น่าสงสารเนี่ยนะเพราะว่าที่น่าสงสารเพราะเขาติดข้องในในขันห้านั่นเองนะเนะย เขาจะเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายสัพเพสตาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็คือผู้ข้องในขันห้าทั้งหลายอใครที่ข้องในขันห้าที่จะไม่ทุกข์เพราะขันห้าไม่มีเนี่ยนะข้องในขันห้าแล้วนะที่มีความสุขเลยนะถ้าควรแก่ถ้าจะข้องยังข้องในขันห้าแต่มีความสุขอ่ะนะคือนางวิสาขาเนี่ยอนาถบินทิกะท้าสักกะเป็นต้นนะแต่ขณะนั้นก็ยังถูกกิเลสรบกวนอยู่พอสมควรแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปแล้วก็ น้อยนักะนะที่ที่ไม่คู่ควรแกการกรุณาเพราะอะไรเพราะเขากําลังทุกวันที่ผ่านมาทุกวันด้วยที่ผ่านมาด้วยก็เป็นความทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมและอนาคตต่อไปแหละก็หลายๆคนนะรู้เลยว่าถ้าเข้าใจธรรมะขนาดนี้เนี่ยหรือถ้ายังไม่เพียงพอเนี่ยนะรู้ได้เลยว่าหน้ากรุณาเป็นแน่เนี่ยนะจำนวนเดินทางไกลขนาดนี้ข้างหน้าก็จะน้ํากอกแข้งแรง ฝนก็จะไม่ตกข้าวพันธุัญญาหารก็จะไม่ปลูกไม่ได้กินแล้วเนี่ยนะสเบียงก็ไม่มีคนรู้จักก็ไม่มีแล้วก็ไปกําพร้าอยู่ข้างหน้าต่อไปจะน่าเห็นใจขนาดไหนเนี่ยนะอันสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองว่าทุกอย่างดีเยี่ยมเนี่ยนะความสุขนี่จะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเพราะขันห้ามันเป็นอย่างนี้แหละสําหรับผู้ที่ยังคล่องขันห้าเนี่ยนะติดข้องในขันห้าอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงชักชวนเพื่อจะให้ออกจากขันห้าไอ้การออกจากขันห้าเนี่ยแปลเป็นบาลีว่าการออกนีอยนะอุทานะหรือวิวัตนะเนี่ยนะวิวัตะก็ได้เป็นลักษณะของวิวัตะคือการออกจากขันห้ขันห้ามอยู่นิ่งๆไหมไม่นิ่งมันเป็นไปอย่างสืบเนื่องแหละเรียกว่าวัตตะหรือประวัตตะในถ้าการออกจากขันห้าจึงเป็นความสุขเป็นอย่างยิ่งนี่อย่างที่ แสดงอยู่เนี่ยนะก็ไม่ถึงกันอนะ่หวังใจไว้ว่าโอ้โหฟังแล้วต้องออกทันทีอ่ะนะให้มีอัธยาศัยเพื่อจะออกบ้างละมาจะได้บุญอย่างมากเลยเหมือนกันขอให้คิดออกบ้างเธอเนี่ยจะได้บุญอย่างมากเลยแหละคิดออกจริงๆนะไม่ใช่พูดเอาใจพระอนะคือผู้ที่ขาดการุณาเนี่ยนะก็คือลักษณะเที่ยวเพิ่มทุกข์ให้คนอื่นนะอันนั้นแหละเรียกว่าขาดการุณาเนี่ยนะเช่น จะพูดยังไงให้เขาทุกกว่านี้นะพูดยังไงให้เขาเจ็บมากกว่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นแผลนะทํายังไงให้กรีดให้มันลึกกว่านี้นะจะทํายังไงให้เขาเป็นแผลโดยที่ไม่แอบเป็นแผลข้างในแต่ไม่ผิวหนังข้างนอกไม่มีแผลเนี่ยนะนั่นแหละก็พยายามสรรหาคําพูดที่เรียกว่าเพราะที่สุดนิ่มที่สุดแต่กระอักเลือดตายได้ยิ่งดีเนี่ยนะก็ไปสรรหาคําประเภทนี้มาพูดเนี่ยนะเช่นด่าแบบอะไรก็ว่ากันไปเนะี่ยะ ก็น่าจะหาเรื่องจริงๆก็เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนะเช่นอย่างคําที่บอกว่าเอาไปหลับให้สบายเนี่ยนะกษัตริย์โบราณเลยนะถ้าเขาสั่งฆ่าเนี่ยก็บอกว่าเอาไปหลับให้สบายอันนี้แปลว่าเอาไปฆ่าซะหมายถึงไอ้หลับอันนี้แปลว่าให้ฆ่าหรือถ้าฮ่องเต้บางคนเนี่ยนะกษัตริย์บางคนสั่งฆ่าก็บอกว่าเอาออกไปเนี่ยนะเขาเขาจะไม่บอกว่าเขาสังฆ่านะแต่บอกเอาออกไปเนี่ยนะ ถ้าเป็นผู้การเล่าให้ฟังบอกว่าอ้าวแต่อย่างไงก็คำนี้ก็ตัดคอได้แล้วคอขาดเพราะผู้คาพูดเหล่านี้นะถึงจะใช้คำอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นคำพูดประเภทขาดการุณาเข้าไปเพิ่มทุกข์ให้เขาอยู่ตลอดเวลา ทนถ้าเป็นมุทิตามั่งนะว่าอารติคือความไม่ยินดีย่อมครอบงำจิตแล้วตั้งอยู่แก่ผู้มีปกติอยู่ด้วยมุทิตาคําพูดนี้ย่อมไม่สมควรเนี่ยนะส่วนเทศนาว่าความไม่ยินดีย่อมถึงการหายไปถึงการตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้ย่อมสมควรมุทิตาเนี่ยนะหมายถึงว่ามีความสุขกับการได้ดีของคนอื่นเนี่ยนะยินดีกับเขาอ่ะนะ เขามีความดีอยู่ตรงไหนเขาเช่นเขามีลาบมียศมีสรรเสริญเป็นตน้นก็ยินดีไปกับเขาอ่ะอะถ้าพูดถึงความแห้งแล้งมุทิตาของเราทั้งหลายนะเชื่อไหมว่าเรานี่พวกพวกพว ก, พวกแห่งแล้งมุทิตาขนาดไหนเราเคยดีใจกับทุกคนที่เขามีรถใช้ร่วมใช้บนถนนไหมยินดีด้วยนะที่นี่นะเขาไม่ต้องเดินนะเขามีรถใช้กันโอ้ยินดีด้วยนะที่มีบ้านสวยๆกันทุกคนริมถนนข้างทางไปเนี่ยนะ อันนะั้เอ้ยยินดีด้วยนะประเทศเขานี่ไม่มีสงครามนะทุกคนอยู่ดีมีสุขสุขภาพดีเนี่ยนะเอกลักษณะเนี่ยเรียกว่ามุทิตาแต่ถ้าขาดมุทิตานะเ อ, อะไรก็แบอย่างนั้นองนั้นแหละนะอย่างนั้นอนั้นแหละเดี๋นะนะพวกนี้แหละเรียกว่าไม่รู้สึกยินดีอะไรกับเข้าเลยที่เขามีดีนะเขาจัดดอกไม้สวยก็เอ ย, อย่างนันะ้นอะย่างนั้นแหละนะอะไรอะไรก็อย่างนันะ้นอย่างนั้นแหละคำประเภทนี้แหละเรียกว่าขาดมุทิตา แล้วโดยเฉพาะก็บอกว่าสังคมเราทั้งหลายเนี่ยเป็นสังคมที่ขาดมุ้ทีตาเป็นอย่างมากถ้ายิ่งเห็นคนที่เรียกว่าข้ามหน้าข้ามตาซะหน่อยนะได้ดีข้ามหน้าข้ามตาหน่อยไอ้นั่นมันก็ยังนั้นไหมนะก็ลักษณะคําพูดประเภทนี้แหละขาดมุ้ทีตามันก็น่าจะมุ้ทีตากับเขาเขามีเสื้อสวยสักตัวหนึ่งก็ขอยินดีด้วยนะลักษณะเข้าไปแสดงความยินดีเหมือนกับจะเห็นลูกเรามันได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ดีใจนะ แล้วก็ดีใจไปกับลูกอะไรลักษณะนั้น น, นนะดังั้นการเจริญมุทิตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งควรเจริญเป็นอย่างยิ่งถ้าถ้าเราเจริญมุทิตาเป็นเนี่ยนะสิ่งที่จะละได้นะคืออารติตรงๆแล้วจะตามด้วยการละริสยาได้ริสยาเนี่ยมันหมายความว่าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเราทนไม่ได้ทนไม่ได้ต่อสมบัติของผู้อื่นแต่ถ้ามุทิตาก็คือร่วมยินดีกับผู้อื่นมี มีความอะไรก็ได้ที่เขาเป็นความสําเร็จของเขาอ่ะนะร่วมยินดีกับเขาไปเขามีความสําเร็จในส่วนไหนก็แสดงความยินดีกับเขาเนี่ยนะแม้กระทั่งเขาหายป่วยเนี่ยนะนะความไข้เขาดีขึ้นดีขึ้นเราก็ร่วมแสดงความยินดีอ่ะดีดี้วที่เขาหายป่วยขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่ใกล้จะพ้นจากความทุกข์อ่ะนะแสดงว่าเขาจะใกล้ต่อความสุขเราก็ยินดีไปกับเขาได้เะั้นถ้าถ้าจะเจริญเมตตานะ เช่นทุกคนที่อายุยืนก็มุทิตากับเขาที่เขามีบุญมีอายุยืนเขาได้ฟังธรรมก็มุทิตากับเขาที่เขาได้ฟังธรรมหรือเขาให้ทานเราเข า, เขารักษาศีลเขาเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็แสดงความยินดีไปกับเขาอันนี้เป็นการเจริญมุทิตาแต่ถ้าคนที่ไม่เจริญมุทิตาเลยเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นความเจริญของเขาอันนั้นคืนหนามของเราเนี่ยนะอันนั้นเป็นหนามของเราเลยนะย ยิ่งเขาเจริญมากเท่าไหร่เนี่ยนะน้ำแทงใจมันก็แทงแรงเท่านั้นนะ่ะนะเข้าบ้านใหญ่ขึ้นโอ้ยพวกเขามันทับเรามากเท่า น, นั้นนะ่ะนะก็เรียกว่าพวกนี้นอนไม่ค่อยหลับหรอกเรียกที่อะไรเขว่าความคิดริษยา ก, ก็นอนไม่หลับพวกที่เจริญมุทิตามากๆนะชีวิตค่อนข้างผาสุกนะชีวิตเนี่ยสบายมากนะคนที่รู้จักมุทิตานะมันก็จะทุกแห่งมันจะไม่น่ารําคาญแต่ถ้าไม่เจริญมุทิตานะมันจะน่ารําคาญไปหมด ทุกแห่งมันไม่น่ายินดีไปหมดซึ่งไอการขาดเมตตาขาดการุณาขาดมุทิตามันเหมือนกันคือมีโทสะเหมือนกันเนี่ยนะพวกนี้เป็นสายโทสะเราะฉนั้นพวกที่เป็นโทสะจริตจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเจริญเมตตาเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่ไม่รู้จักมุทิตาต่อคนอื่นที่คนอื่นเขาได้ดีนะเสียหายแก่ตัวเองมามากนักเลเนี่ยนะมันเสียหายอย่างอย่างในเวทวงธรรมะก็มีเหมือนกันนะเนีที่ ที่ผู้ที่เขาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องอ่ะ้าริสยาอะไรจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในวงการธรรมเนี่ยในในคำพีเปรตตวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าพระผ้าอรหันเนี่ยเข้ามาในสํานักของของตัวเองอยู่ใช่ไหมโยมเขาเข้าไปอุปถาในเราริสยาพ้าอรหันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าไปริสยากับพระพุทธเจ้าอะไรเกิดขึ้น เดรัถถีทั้งหลายที่ทําลายพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลคือเกิดจากริษยาทั้งนั้นเนี่ยนะริษยาในความมีลาภของคนอื่นริษยาในความอะไรก็ได้ที่เขาพิเศษที่เขาดียิ่งดีกว่าตนด้วยยิ่งริษยาแรงนะหนามันทิ่มใจเราเนี่ยก็จะมากไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นติดตามด้วยบาปอีกบานแบะเลยนะบาปทั้งหลายที่ยังไม่ทําก็จะทําขึ้นบาปที่ทําแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไม่มีอะไรที่คนมีโทสะทำไม่ได้ เนี่ยนะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เพราะถ้าไอตัวริสยานี่เป็นตัวที่อ่า น, นะสร้างความเสียหายให้อย่างชนิดที่เรียกว่าคนอื่นทำให้ไม่ได้เท่านี้หรอกมันพยายามที่จะยิ่งเดราถีนี่นะวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าวางแผนฆ่าพระโมกขลานะเนไนะแล้วก็วางแผนทาลายพระาศาสนาโดยประการต่างๆถามว่านั่นเขาได้บุญไหมไม่ได้บุญเนี่ยนะ ถามว่าพระพุทธเจ้าเสียไหมไม่เสียพระโมคคัลลานะเสียไหมท่านถูกฆ่าเสียหรือไม่เสียจริงท่านสเสวยผลแห่งกรรมเก่าที่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อแตนะาท่านไม่ได้ทํากรรมเก่าไว้ใครจะวางแผนฆ่าท่านไม่ตายหรอกแต่นี่นี่ทําให้เห็นว่าผู้ที่ริษยายิ่งไปริษยาผู้ที่มีคุณธรรมด้วยยิ่งโอ้ชีวิตเนี่ยเรียกว่าขาดทุนมากเลยนะเกิดมาก็ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมาก แล้วก็จริงก็สายโทสะเนี่ยนะนะสายโทสะไม่คิดให้คนอื่นมีความสุขสายโทสะมุ่งเพิ่มแต่ความทุกข์ให้คนอื่นสายโทสะเมื่อคนอื่นได้ดีก็ไม่ชอบเนี่ยนะดนะังนั้นกลุ่มโทสะเนี่ยจะเผาเผาอารามมณปัจจัยภายนอกก่อนเสร็จ แ, แล้วก็เผาตัวเองเนี่ยนะฟืนเนี่ยมันมันไฟที่มันเผารอบนอกนะมันเผาตัวเองก่อนนะแล้วมันค่อยเผาข้างนอก ยิ่งเผาข้างนอกลามไปเท่าไหร่ตัวเองก็ยิ่งเสียหายไปมากเท่านั้นเพราะนั้นโทสะเนี่ยสร้างความเสียหายให้ทั้งโลกนี้ด้วยถ้าโทสะเกิดมากๆนะถามว่าโรคตามมาอีกหลายโรคไหมตามมาอีกหลายโรคคนที่มักโกรธเนี่ยนะตามด้วยโรคเยอะมา ก, ก น, นะโดยเฉพาะโรคสายหัวใจแล้วก็โรคสายกระเพาะเป็นต้นเนี่ยนะก็โรค ขาดญาติขาดมิตรโรคเงาโรคโสรารพัดโรคหละเอามาเรื่อต่อไปนะว่าเาทศนาว่าด้วยอุเบกขาเนี่ยนะว่าเทศนาว่าราคาย่อมครอบงําจิตแล้วตั้งอยู่แก่ผู้มีปกติอยู่ด้วยอุเบกขาย่อมไม่สมควรเทศนาว่าราคาย่อมถึงซึ่งการหายไปซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมสมคว ร, อ, รอุเบกขาเนี่ยนะคนที่จะเจริญอุเบกขาตาม ตามหลักตรงนี้ต้องได้ตติยะฌานหรือจตุทัชฌานก่อนแล้วแล้วค่อยเจริญอุเบกขาเพราะนั้นผู้ที่เจริญอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาถ้าว่าไปตรงๆก็ระดับจตุทัชฌานนั่นเที่ที่เป็นอุเบกขาพรหมวิหารในที่นี้เนี่ยนะจะต้องเป็นระดับจตุทัชฌานทีนี้ถ้าเข้าจตุทัชฌานได้แต่ก็ยังบอกว่าก็ยังมีราคาอยู่นะถามว่าคําพูดนี่สมควรไหม บอกไม่สมควรเนี่ยนะไม่ยุติอย่างเงี้ยุติไม่ได้แน่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ด้วยอุเบกขาวางใจได้เป็นกลางเนี่ยนะเป็นคำว่ามัชชตสัตว์นะวางใจได้เป็นกลางไม่ไม่ใช่เมตตากรุณาและก็มุทิตาดํารงอยู่ด้วยจตุสถานเป็นต้นเพื่นี้ราคาหายไปราคานี่ไม่มีแน่สำหรับผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยอุเบกขา ทั้งหมดนี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เป็นข้อยุติเกี่ยวกับพรหมวิหารเนี่ยนะข้อยุติเกี่ยวกับเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาว่าถ้าเจริญเมตตาต้องละพยาบาทถ้าเจริญกรุณาต้องละวิหิงสาคือการเบียดเบียนถ้าเจริญมุทิตาต้องละอารติคือความไม่ยินดี น, น, นะถ้าเจริญอุเบกขาต้องละ ราคะถ้าคำพูดอื่นจากนี้แสดงว่าไม่สมควรอันนี้ถือว่าเป็นข้อยุติเกี่ยวกับพรหมวิหารหรืออับปมัญญาทีนี้มาดูข้อยุติเกี่ยวกับวิปัสสนาบ้างแก้หนังสือนิดหนึ่งนะอนิจจนิมิตลบสะอาะออกไปเขาเขาพิมพ์เกินนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองนับขึ้นสิบสองบรรทัดอ่อยนะเห็นคาว่าอานิจจนิมิตหม ซ้ายมือเลยนะซ้ายมือเอาสะอาออกไปเอออาอ่างสิขอโทษนะอ่างไงเราก็นึกถึงอ่านึกถึงแต่บาลีนะขอโทษขอโทษเอาอ่างนะเอาเกินมาตุ่มหนึ่ง เ, เป็นนิจจานิมิตเจนทงังคือสูตรว่าเทศนาวาวิญญาณอันมีการไปตามซึ่งสังขานิมิตย่อมเป็นไปด้วยนิจจานิมิตเป็นต้นนั้นนั้นแกผู้มีปกติอยู่ด้วย สมาบัติที่ได้ด้วยการเจริญอนิจจานุปัสสนาย่อมไม่สมควรคือหมายความว่าเขาเนี่ยนะอยู่ด้วยการพิจารณาตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่านิมิตมันก็ยังเที่ยงอยู่เหมือนเดิมหมายความว่าใส่ใจแต่ความไม่เที่ยงอยู่ด้วยอนิจจานุปัสสนาเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะโดยที่เจริญอนิจจานุปัสสนาแล้วเข้าพระสมาบัติแต่ออกมานีสังขารทุกอย่างก็เหมือนเดิมคำพูดนี้ใช้ไม่ได้ เนี่ยนะก็เหมือนกับว่าแม้เขาเนี่ยอยู่ด้วยทุกขานุปัสนาแต่สังขารทั้งหมดหน้าปราถนาหมดเลยถูกไหมไม่ถูกแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยสุญญ า, านุปัสนาเนี่ยนะอยู่ด้วยอนัตานุปัสนาอยู่ด้วยสุญญ า, านุปัสนาแต่ทุกอย่างมีสาระหมดเลยถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ด้วยอนิจจานุปัสนาเนี่ยนะเขาจะตามเห็นว่าสังขารเนี่ยนะ มีนิจจานิมิตเป็นต้นย่อมถึงการหายไปถึงการตั้งอยู่ไม่ได้คือเขาจะไม่ถ้ายิ่งเข้าพละสมาบัติคือหมายความว่าเจริญอนิจจานุปัสสนาเสร็จแล้วเข้าพละสมาบัติยิ่งออกจากพละสมาบัติด้วยยิ่งตามเห็นว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงแต่ถ้าใครไปบอกว่าสังขารทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดเลยอันนี้ผิดแน่นอนเช่ น, น, นถ้าใครบอกว่าเขาเนี่ยตามเห็นเขาเจริญทุกขานุปัสสนามาก แต่ชอบเที่ยวเนี่ยนะที่โน่นก็นสนุกที่นี่ก็สบายเนี่ยนะใช่ไหมไม่ใช่ก็บอกว่าเจริญทุกขานุปัสสนาใช่ไหมถ้าเจริญอ น, นิจจานุปัสสนานะสร้างอันนี้จะได้นานๆเนี่ยนะเกิดในภพนั่นสิอายุยืนแล้วบอกว่าตัวเองเจริญอ น, นิจจานุปัสสนาเนี่ยนะใช่ไหมไม่ใช่สมมุติว่าอ้าวปกตินะเราตื่นเช้ามานะพิจารณ า, นานว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายที่กําลังตายอยู่ด้วย ความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแก่เราโอ้เนอะเราอาจจะมีชีวิตอยู่แค่วันนี้พรุ่งนี้เ อ, อ่อาอาจจะมีชีวิตอยู่แค่วันนี้อาจจะมีชีวิตแค่ช่วงกลางวันอาจจะมีชีวิตช่วงแค่เนี้ยถึงเที่ยงอาจจะมีชีวิตอยู่แค่เนี้ยไม่ถึงสายๆอาจจะตายเลยมีชีวิตอยู่แค่ไม่กี่คําข้าวเนี่ย น, ilik, นีนอาจจะมีชีวิตอยู่แค่ช่วงลมหายใจเข้าออกเนี่ยคิดแต่อย่างนี้มากๆแต่แหมวางแผนงานไว้เป็นร้อยปีอย่างเงี้ยนะเชื่อได้ไหม เชื่อไม่ได้หรอกว่าเจริญมรณานุสติจริงอ่ะนะก็บอกว่าเอาอาหาถ้าเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาบ่อยนะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเรือต้องที่โน่นนะอร่อยมากอ่ะนะโน่นนะถ้าเป็นข้าวเกลียบปากโม้ต้องที่นั่นนี่ยนะหมูฉลามต้องร้านนั้นอืแต่เขาบอกเขาเจริญแต่อาหาเรปฏิกูลสัญญาโอ้อะไรจะปานนั้นไม่ใช่แน่นอนแน่จั้งเพราะว่าครงที่บอกว่าเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาหน้ารัสตวตันหาต้อง ต้องลดลงนั น, นะคือจิตทั้งหลายเนี่ยนะเราเราจะให้จิตเราเนี่ยเป็นไปกับอะไรน่นนะเราต้องน้อมไปนะถ้าไม่น้อมไปน้อมไปเพื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมีไม่ได้มีหลายๆสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแสะดงคุณธรรมของพผ้ารหัสให้พระเสข่าฟังเห็นไหมถามว่าทําไมพระองค์ต้องแสดงอย่างนั้นเช่นถ้ากลุ่มกลุ่มทั้งหลายนะมีแต่พระโสดาบันพระสากท า, าคามีเป็นต้นนะ พระพุทธเจ้าชมพผ่รา ร, รหันผ่ารหัน์ดีอย่างนี้มั่นคงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าแสดงทําไมองค์บอกว่าให้พระโสดาบันเป็นต้นเหล่านั้นอ่ะท่านน้อมไปเพื่อเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยนะังั้นการแสดงเอ่อการกา ร, การปฏิบัติธรรมทั้งหลายเหมือนกันนะตอนแรกเราต้องมีใจที่น้อมไปเพื่อเป็นอย่างนั้นก่อนเนี่ยนะคือให้มีจินตนาการเนี่ยนะมีการต้องการเป็นแบบนั้นก่อนอันนี้เรียกว่าฉันทะ เมื่อมีฉันทามีความตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยนะถ้ามีความปรารถนาอย่างนั้นละที่เหลือก็จะภาดเพี้ยนเอาในบางกรณีต้องเพี้ยนใช่ไหมในบางกรณีเขาก็อาจจะด้วยฉันท่ด้วยวิรยิยะหรือด้วยวิมังสาแต่ที่สําคัญก็คือให้ตั้งจิตเอาไว้เพื่อให้มีคุณธรรมอันนั้นก่อนถ้าถ้าเรารู้จักคิดกันบ้างนะว่าเออเนี่ยปีนี้ศีลห้าเราต้องบริบูรณ์อย่างนี่ยตัวอย่าง ตีหน้าอุโบสถต้องมั่นคงขึ้นนีนะคือถ้าน้อมจิตไปเป็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวจะทําได้แต่ถ้าเกิดมายังแค่คิดยังไม่เคยคิดเลยนะอย่าวังเลยนะมีไม่กี่คนหรอกบอกว่าเออไม่เคยคิดแต่ได้ทําเนี่ยนะมีไม่กี่คนแต่โดยมากแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เขาได้ทําเพราะเขาคิดมานานแล้วนีะส่วนใหญ่นะไอ้แบบเพศโชคดีทั้งหลายแหละเนี่ยมีเยอะไหมอันนั้นที่เรียกว่าโอ้โหเกิดมามันว่าฟลุกขึ้นมานะ หายากเต็มทีในโลกเนี่ยนะแต่ว่าคนก็ยังชอบปรารถนาอย่างนั้นเหมือนเดิมเราฟังทำนะเฟื่อพลุกบรรลุอย่างนี้นได้ไหมบรรลุว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> นั้นการที่เราต้องการเราค่อยๆเจริญค่อยๆทาความเข้าใจจนความรู้ความเข้าใจถูกต้องชัดเจนเนี่ยนะจึ ง, จ, ง, จ, งจะเป็นเรื่องที่ดีจริงๆถ้าไม่เป็นไปตามนั้นจริ ง, รงๆเนี่ยยากโดยเฉพาะอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น มองคลถ้าเราน้อมไปเพื่อจะเจริญคุณธรรมใดๆคุณธรรมนั้นๆก็จะเกิดขึ้นในทเวทาวิต ก, กสูตรพระองค์ก็แสดงไว้อยู่แล้วว่าถ้าใครน้อมไปเพื่อจะตรึกกาลมวิตกกามวิตกจะค่อยๆชำนาญขึ้นเพิ่มขึ้นชำนาญขึ้นเพิ่มขึ้นเนคขมะวิตกหายหายบ่อยหายมากขึ้นหายมากขึ้นกามวิตกเขาก็จะชำนาญเขาจะมองอะไรทุกอย่างได้กามวิตกหมด ถ้ากลุ่มพยาบาทวิตกก็เหมือนกันนะเขาจะคิดอะไรก็จะเป็นพยาบาทมุ่งเพื่อทําลายล้างคิดดูนะว่าไอความคิดกลุ่มพยาบาทวิตกเนี่ยนะหรือกลุ่มวิหิงสาววิตกดูได้อะจากภาพภาพยาตนตร์ต่างหลายเนี่ยนะสังเกตดูเขาคิดทุกอย่างมองเป็นอาวุธหมดเลยทําให้ทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลยนะถ้าถ้าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นถึงที่สุดจะได้จะได้ขนาดนั้นมองทุกอย่างคือเพื่อทําลายล้างได้หมดนั่นเป็นผลของ พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกแต่ถ้าเป็นเนคขม่าวิตกนะทุกอย่างจะมองเป็นเนคขม่าวิตกได้หมดแล้วแต่จิตน้อมไปเพื่อจะคิดแต่ที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะก็ต้องขีดร่องเอาไว้ก่อนเหมือนกับว่าน้ํำเราจะให้ไหลไปทางไหนนะทําทําเหมืองก่อนขุดคูขึ้นมาก่อนแล้วน้ําจะไหลไปทางนั้นถ้าไหลไปนานๆเข้านานๆเข้านะไม่ต้องอ น, นะเดี๋ยวมันลึกมันเองว่าน้ําจะพัดไปอ่ะนะ นี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราอยากจะน้อมไปคิดเรื่องอะไรมากๆก็น้อมจิตไปถ้าน้อมไปบ่อยๆมากๆขึ้นก็จะคิดในอย่างนั้นเนี่ยอย่างมากขึ้นอย่างที่เรียกว่าถ้าเราน้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะลมหายใจเข้าออกมันจะเป็นอริยสัจหมดอ่ะคิดทุกอย่างไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจในที่สุดเขาก็ตรัสรู้อริยสัจจนได้แต่ถ้าไม่ใจไม่น้อมเลยยางก็ไม่ได้มันลุ ัการตั้งใจการสมาทานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆอย่างแม้กระทั่งตั้งแต่ศีลเป็นต้นเลยนะคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยท่านให้สมาทานนะให้อธิษฐานให้สมาทานบารมีเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านอยู่ๆแล้วท่านเกิดมานะท่านก็ให้ทานเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมท่านเกิดมาก็ให้ทานเนอย่างข้าพระเทวสันดรเนี่ยตื่นคลอดออกมาปั๊บแม่มีทรับไหมบอกลูกจะให้ทานบอกโอ้ตระกูลเรามีซัพย์มาก โอ้โมีอัธยาศัยชอบให้ทานตั้งกับลูกตั้งแต่เล็กๆถามว่าท่านเป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมจริงๆมันเป็นผลของการสมาทานของท่านเอาไว้ในอดีตเป็นผลของการสมาทานเอาไว้นานแล้วท่านสมาทานตั้งแต่เป็นสุเมธบัณฑิตในบรรดาคนที่สมาทานทั้งหลายเนี่ยเนี่ยนะไม่มีใครตั้งใจสมาทานเท่ากับสุเมธบัณฑิตอันนี้นี่เฉพาะในพระศาสนาของเราเนี่ยนะ ท่านนะอยู่บนพื้นฐานของสมาบัติแปดอภิน ญ, ญาห้ากรร ม, มสกตาอย่างดีเยี่ยมเนี่ยนะแล้วก็คนควา้าแล้วก็สมาทานไอ้ผลของการสมาทานบาเพ็ญประพฤตบารมีของท่านอนะสมาทานจนแผ่นดินไหวอะเนี่ยนะท่านสมาทานขนาดนั้นท่านไม่ใช่คิดว่าสักแต่ว่าเออลอยลยขึ้นไม่ใช่เลยท่านสมาทานจนแผ่นดินไหวเนี่ยนะผลการการที่ท่านทําได้เป็นผลของการสมาทานใน ในครั้งนั้นน่ะนะเป็นเป็นอุปนิสัยให้ท่านน้อมไปเพื่อจะให้ทานรักษาศีลประพฤติเนคธรรมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทั้งหมดที่ท่านประพฤติเนี่ยเกิดจากการสมาทานเพราะนั้นใครที่สมาทานที่จะประพฤติกุศลธรรมเนี่ยนะเป็นการสมาทานที่ชอบธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะสมาทานเอาไว้ใช่ไหมธรรมะสมาทานบางอย่างสุขในปัจจุบันทุกข์ในภายหน้า ธรรมะสมาทานบางอย่างทุกในปัจจุบันทุกในภายหน้าธรรมะสมาทานบางอย่างสุขปัจจุบันสุขในภายหน้าธรรมะสมาทานบางอย่างทุกปัจจุบันแต่สุขในภายหน้าอากุศลกรรมบทสําหรับบางคนประพฤตินะสุขมากในปัจจุบันมีความสุขกาบการตกเด็ดเป็นต้นเนี่ยเลยมีความสุขกัการประพฤติอกุศลกรรมบทสิบถามว่าผลเป็นยังไงทุกในภายหน้า บางคนเนี่ยมีความทุกข์มากในการล่วงอกุศลกรรมบดนะแต่ก็ให้ผลเป็นทุกข์อีกภายหน้าบางคนเนี่ยมีความทุกข์มากในการรักษากุศลกรรมบดสิบลำบากมากอ่ะนะแต่ก็เป็นสุขในภายหน้าบางอย่างก็รักษากุศลกรรมบดเป็นต้นด้วยความสุขก็ให้ผลเป็นสุขในภายหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสมาทานเอาเนี่ยนะสมาทาน ทา น, นะแปลว่าถือเอาใช่ไหมอ น, นัสมาทานก็คือการถือเอาเนี่ยนะันนั้นแล้วแต่เราจะถือเอาอ่ะถือเอากุศลหรืออกุศลอะไรควรถืออะไรไม่ควรถือแต่ว่าสิ่งที่เราถือเนี่เราจะบริโภคเองอนะก็ถ้าถ้าเป็นแบบห่อข้าวนะไอห่อข้าวชนิดไหนไปก็ทานเอาเองกันแล้วกันเนะเดินทางไกลในภายหน้านะห่ออะไรไปก็ทานอันนั้นแหละ กรรมทั้งหลายก็เหมือนกันนะสุจริญกรรมหรือทุจริญกรรมก็สมท า, านเอาอ่ะนะใครจะถือเอาอะไรไปก็สำนวนพูดาศาสนาก็กล่าวว่าตามอัธยาศัยแต่ว่าอัธยาศัยเนี่ยนะคำว่าอัธยาศัยเป็นคําพูดที่ต้องอธิบายอัธยาศัยมีเท่าไหร่บางคนเป็นการมัธยาศัยบางคนเป็นเนคขมัธยาศัยบางคนเป็นพยาปัดอ่าพยาบาทเป็นอัธยาศัยบางคนเป็น อัพยาบาทเป็นอัธยาศัยบางคนเนี่ยอวิหิงสาเป็นอัธยาศัยบางคนมีวิหิงสาเป็นอัธยาศัยบางคนเนี่ยถีนมิธะเป็นอัธยาศัยบางคนอะโลกสัญญาเป็นอัธยาศัยบางคนมีอัธยาศัยเป็นสัมมาทิฏฐิบางคนเป็นอุเชททิฏฐิอุเชททิฏฐิก็แบ่งออกเป็นอัธยาศัยที่เป็นสัตสตทิฏฐิหรืออุเชธทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็แบ่งเป็นระดับกรรมมสกตายานบางคนก็เป็นสัจจานุโลมิกยาน ของเราเนี่ยอัธยาศัยไหนนะถ้าถามว่าแล้วถ้าเรารู้ว่าเราอัธยาศัยไม่ดีควรไหมก็เหมือนกับว่าทานอาหารชนิดนี้แล้วเสียหายมาตลอดป่วยมาตลอดเพราะอาหารชนิดนี้นะควรต่อไปไม่ที่จะชอบอาหารชนิดนั้นหรือควรไปตามอัธยาศัยแล้วแต่มันจะเป็นนะปลาที่ไปตามน้ำเนี่ยดีไหมไม่ดีนะอ้าวก็ไปตามน้ำมันสบายไม่ใช่หรออัธยาศัยบางอย่างมันเพลินเนี่ยนะถามว่ามีโทษหล่ะ มีโทษเพราะฉะนั้นการฝืนการฝืนเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าอะไรเรียกว่าฝึกในพระไตรปิฎกบางเล่มเขาแปลว่าทรมานจริงๆก็จากคําว่าธรรมะธรรมะเนี่ยนะแปลว่าฝึกก็คือการทรมานหรือการฝึกแสดงว่าไม่ง่ายานะเป็นของที่ทำยากบอกว่าในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกแล้วประเสริฐที่สุดนะนะทันโตเศธโธมนุสเสสุในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกแล้วเป็นคนที่ ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยเป็นเป็นหัวใจของพระศาสนาหัวใจยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสตร์ปริสธรรมสารถิพระพุทธเจ้าเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกไม่ได้ไม่รู้พระพุทธเจ้าหน้าสงสารหรือแนวหน้าสงสารนะพระพุทธเจ้ากว่าจะบำเพ็ญบารมีมาตั้งสี่สงไข่แสนกับน่ะเผื่อจะฝึกเข้าได้ก็น่าสงสารที่พระองค์บำเพ็ญตั้งนานน่ะนะ เราก็น่าสงสารถ้าไม่ได้รับการฝึกหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะสถาบันการศึกษาก็คือสถาบันการฝึกนะะฉะนั้นคนที่ได้รับการฝึกมาโดยมากก็มีความสุขกับคนที่ไม่ได้รับการฝึกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถือว่าการฝึกนี้เป็นความประเสริฐที่สุดในศาสนานี้แต่ว่าฝึกด้วยอะไรไตรสิกขาเนี่ยนะเอาไตรสิกขามาเป็นฝึกหรือฝึกด้วยสมถะ ก, กับ วิปัสสนาเนี่ยนะในติปกรณ์ในช่วงเช้านี่ก็คงยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน